เจ็บนิดนิดไม่นานดีกว่าใช้ยาช่วยถอนฟันพระองค์หนึ่งที่วัดของเรามีปัญหาเรื่องฟันมาก ท่านจะต้องถูกถอนฟันหลายซี่แต่ท่านไม่อยากจะใช้ยาชาในที่สุดท่านก็ได้หมอฟันคนหนึ่งในเมืองเพิร์ตที่จะถอนฟันให้ท่านได้โดยไม่ใช้ยาชาช่วยท่านไปหาหมอฟันหลายครั้งและพบว่ามันไม่มีปัญหาใดๆเลยการที่จะให้หมอฟันถอนฟันซักซี่โดยไม่พึ่งยาชานั้นก็น่าประทับใจพอดู แต่ท่านยังพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคราวนี้ท่านถอนฟันของท่านเองโดยไม่ใช้ยาชาช่วยเราเห็นท่านที่ด้านนอกโรงทำ ง, งานของวัดยืนถือครรมดาธรรมดาคู่หนึ่งที่ยังขีปฟันเปื้อนเลือดที่เพิ่งถูกถอนออกมาสดๆร้อนๆสบายๆไม่มีปัญหา ท่านล้างขีมคู่นั้นก่อนจะนำมันกลับไปคืนที่ในโรงเก็บเครื่องมืออาตมาถามท่านว่าท่านสามารถทำเรื่องเจนนี้ได้อย่างไรสิ่งที่ท่านพูดเป็นอุทาหรณ์ว่าทำไมความกลัวจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของความเจ็บปวดท่านบอกว่า เมื่อผมตัดสินใจจะถอนฟันตัวเองเพราะการเดินทางไปหาหมอฟันนั่นๆนหะมันเป็นเรื่องยุ่งยากมันก็ยังไม่เจ็บเมื่อผมเดินเข้าไปในโรงทำงานนั่นก็ยังไม่เจ็บเมื่อผมหยิบคีมขึ้นมามันก็ยังไม่เจ็บเมื่อผมเอาคีมนีบฟันไว้มันก็ยังไม่เจ็บอีกนั่นแหละ เมื่อผมขยับคีมแล้วดึงนั่นแหละที่มันเจ็บแต่ก็เพียงสองสวินาทีเท่านั้นพอฟันโดนถอนออกมาแล้วนั้นมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรนักหนาตกลงมันก็เจ็บแค่หวินาทีเท่านั้นมันก็แค่นั้นเอง โยมผู้อ่านอาจจะทำหน้าเยเกเมื่ออ่านเรื่องจริงเรื่องนี้เพราะความหวาดกลัวโยมอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดมากกว่าที่ท่านเจ็บซะอีกถ้าโยมจะลองทำตามอย่างท่านโยมอาจจะรู้สึกเจ็บอย่างแรงยิ่งไปกว่านั้นโยมอาจจะเริ่มเจ็บตั้งแต่ก่อนที่จะเดินไปถึงโรงทำงานเพื่อจะหยิบคีมเซรั่ ความคาดหมายความกลัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของความเจ็บปวด